คนที่ทำบุญกับคนที่ไม่ทำบุญนี่มีความเห็นไม่เหมือนกันคนที่ไม่ทำบุญนี่เขาไม่เห็นความสำคัญของความรู้สึกทางจิตใจเขาเห็นความสาคัญของสิ่งที่เขาอยากจะได้เพราะเขาคิดว่า ถ้าเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้ทำในสิ่งที่อยากทำจะทำให้เขามีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่ทำให้เกิดความอยากไปเรื่อยๆเพราะเมื่อความสุขที่ได้จากการทำตามความอยาก จากการได้สิ่งที่อยากได้มาเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องไปอยากหาสิ่งใหม่อีกอยากไปทําอย่างอื่นอีกหรืออยากไปทําอย่างเดิมอีกเนี่ยเช่นไปเที่ยวมาก็กมีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปความอยากเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาอีก แล้วถ้าเกิดไม่ได้เที่ยวเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถทาตามความอยากได้ก <c oughs> ็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาเกิดความงุดงยดเกิดความลาคาญใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความซึมเศร้าเกิดความรู้สึก ว, าว้าวเศร้าส้อยงอย่เงา อาการต่างๆที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจเรานี้เกิดจากการที่เราอยากทำอะไรหรืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากแล้วต่อให้เราทำเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ความอยากได้มันก็ไม่หมดพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็มีความอยากได้อย่างนั้นโผล่ขึ้นมาอีกนี่คือ คนที่ไม่เห็นคุณค่าของการทาบุญเพราะการทาบุญนี้เป็นการให้ความสุขอีกแบบหนึ่งให้ความสุขที่จะลดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปและหมดไปการทาบุญนี่จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจ และพอใจทำให้ความอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอยากทําอะไรต่างๆน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะมีแต่ความอิ่มความพอความสุขไปตลอดไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไป ถ้าทำตามความอยากก็ต้องทำไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะทำแล้วเดี๋ยวก็หมดความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปทำใหม่ทำใหม่แล้วเดี๋ยวก็หมดอีกร่างกายเดี๋ยวก็ต้องตายพอร่างกายตายก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ และช่วงที่รอไปรับร่างกายก็เป็นช่วงที่ไปรับผลบุญผลบาปถ้าตามความอยากด้วยการทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปถ้าทำความอยากโดยไม่ต้องทำบาปก็ไม่ต้องไปรับผลบาปบางคนโชคดีอยากได้อะไรก็หามาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาป และบางทีหามาได้มากกว่าที่ต้องการก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็ได้ทำบุญออพอได้ทำบุญก็เวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่รอรับรอรับร่างกายอันใหม่ก็มีบุญเป็นผู้พาไป เ, ออเป็นอยู่กับบุญอยู่บุญก็จะพาให้เราเกิดความสุข เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันดีเวลาเรานอนหลับฝันดีนี่แสดงว่าบุญเป็นผู้พาฝันบุญจะฝันแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ให้ความสุขกับเราถ้าบาปเป็นผู้พาฝันบาปก็จะให้เราฝันแต่เรื่องไม่ดีต่างๆเรื่องที่ทำให้เราเดือด เดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายใจกังวลใจหวาดกลัวอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าฝันร้ายช่วงที่เราตายก็เหมือนกับช่วงที่เรานอนหลับช่วงนั้นเราจะอยู่ในสภาพของโลกของความฝันแล้วโลกของความฝันของเราจะดีหรือจะไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ ถ้าบาปถ้าเราทำบาปไว้เราก็จะไปอยู่ในโลกของความฝันที่ไม่ดีที่เราเรียกว่าอบายจะฝันแต่เรื่องที่น่ากลัวฝันแต่นัเรื่องที่ทุกข์ยากลําบากแล้นแค้นอดอยากขาดแคลนหรือฝันแต่เรื่องโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาททำสงครามทำ ทำการต่อสู้กับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมดฆ่าคนนั้นแล้วก็ต้องหลบให้เขาหนีเขาให้เขามาตามฆ่าแล้วเดี๋ยวก็ไปฆ่าเขาใหม่นี่คือลักษณะของผู้ที่กระทำบาปต่างๆเวลาช่วงที่ตายไปหรือช่วงที่ยังไม่ตายตอนเวลานอนหลับเนี่ยก็จะฝันร้ายแต่พวกที่ มีโอกาสได้ทำบุญเพราะว่าได้มีความสามารถที่มีข้าวของเงินทองมากกว่าที่จะต้องใช้ก็มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ก็เอาไปช่วยเหลือไปแบ่งปันไปให้ความสุขกับผู้อื่นก็ได้ทำบุญ การทำบุญนี้ก็จะทำให้เราเวลานอนหลับเราก็จะฝันดีเพราะเวลาที่เราทำบุญนี้เราจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทำไว้ในความทรงจาของเราตาล่างใจของเรานี่เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเหตุการณ์เหมือนกล้องวิดีโอที่เรามีเนี่ยถ้าเราเปิดมันเราไปไหนมาไหนถ่ายมันไปเวลาเรากลับบ้านอยู่คนเดียวอยากจะ อยากจะดูเหตุการณ์ต่างๆเราก็เปิดดูในกล้องได้ชันใดใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องบันทึกเหตุการณ์บันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสครบหมดทุกมิติห้ามิติด้วยกันบันทึกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ตาหูจมูกริ้นกาย แต่เรายังฝันว่าเรากินอาหารอย่างนั้นเดิมเครื่องเดิมชนิดนี้มีรสหวานมีรสเปรี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใจของเราได้บันทึกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราได้ไปสัมผัสมาในขณะที่เราตื่นพอนอนหลับนี่สิ่งที่เราได้ฝันมันก็สิ่งที่เราได้บันทึกมันก็ปรากฏขึ้นมาในในฝันใจเราเอามา เอามาเอามาดูเอามาทบทวนเอามาเพียงแต่ว่ามันจะพลิกกลับกันตรงที่ว่าเราไปทำอะไรพอเราฝันเรามักจะพลิกกลับเราไปทำใครเวลาเราฝันเขาก็จะกลับมาทำเราเวลาเราไปทำความดีกับใครเวล า, านอนหลับฝันเขาก็เราก็จะฝันว่ามีคนนั้นคนนี้มาทำความดีกับเรา มาช่วยเรามาดูแลเรามารอบใช้เราเช่นเดียวกับการทําบาปเวลาเราทํำบาปตอนที่เราเดินี่เราก็ไปทําร้ายคนนั้นไปรังแกคนนี้ไปเบียดเบนคนนั้นไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้คนนั้นคนนี้พอเวลาเรานอนหลับมันก็จะพลิกกลับแทนที่เราจะไปทําเขาเขาจะมาทําเรา มันเหมือนกับภาพที่เราเห็นในกระจกเห็นไหมภาพที่เราเห็นในกระจกนี้ไม่ใช่เป็นภาพจริงนะเพราเราจะเห็นมือขวาเป็นมือซ้ายไปใช่ไหมความจริงมันเป็นมือขวาแต่มันเป็นเราจะมองเราจะคิดว่าเป็นเป็นมือซ้ายแต่ความจริงมันเป็นมือขวา่ภาพที่เราถ่ายจากกระจกนี้มันจะเป็นภาพกลับกันอืม ซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเหตุการณ์ที่เราบันทึกก็เป็นเหมือนเหมือนกันเวลาเราบันทึกมันเป็นมันเป็นขวาแต่พอเรามาปิดดูในความฝันมันกลายเป็นซ้ายไปเราเคยไปทำอะไรใครไ้เพอเราฝันมันฝันกลับกันฝันว่าเขากลับมาทำร้ายเราเพราะอะไรเพราะจิตสำนึกเรามันเป็นอย่างนั้นพอทาอะไรแล้วมันก็เกิดความกลัว วที่จะถูกเขากลับมาทำร้ายเราความกลัวนี้มันก็เลยทำให้เราผลิตเหตุการณ์คลิกกลับกันเราไปทำร้ายใครเราก็จะฝันว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราไปช่วยเหลือใครเราก็จะฝันว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราเห็นเวลาเรานอนหลับถ้าเราทำความดีเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีฝันแต่เรื่องที่ให้เรามีความสุข เวลาเรานอนทำบาปเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายฝันว่ามีแต่เรื่องเลวร้ายต่างๆมาทำร้ายเราคนที่ทำบาปม า, มากๆเวลาก่อนตายนี่บางทียังร้องโอดโอครางโวยวายเพราะเริ่มฝันละเพราะเริ่มฝันตั้งแต่ยังไม่ตายใจมันหมดสติที่จะควบคุมใจ ก็เหมือนคนนอนหลับก่อนที่ใกล้าตายนี่เป็นเหมือนคนนอนใกล้จะใกล้จะหลับไม่มีสติคุ้มครองใจเหมือนกับคนที่ตื่นฮะเวลาเราตื่นเราควบคุมเหตุการณ์เลือกควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งควบคุมไม่ให้ใจฝันนอกจากคนที่ไม่มีสติบางทีก็ชอบนั่งเพอ้อฝันใช่มบางทีนั่งอยู่คนเดียว ก็ฝันฝันลืมตาตามองไปข้างหน้าแต่ใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ภาพยนตร์ไปอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวไปอยู่ที่แฟนไปอยู่ที่เงินที่ทองใจมันฝันได้ทั้งขณะที่ลืมตาและหลับตาถ้าไม่มีสติคอยควบคุมมันไว้ั้นเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตาย ช่วงนั้นใจจะไม่มีสติที่จะควบคุมความฝันได้ความฝันมันก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่คนที่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลจะไม่เห็นความสำคัญของการทำบุญจะเห็นความสำคัญของการทำตามความอยากต่างๆฉะนั้นคนที่ ชอบทําอะไรตามความอยากนี้จะไม่ชอบทําบุญเพราะเสียดายเงินเพราะไม่รู้ว่าทําแล้วได้อะไรเห็นแต่เสียไม่ได้อะไรเอาเงินไปให้คนอื่นอย่างนี้อแต่ถ้าเอาไปซื้อของมาให้ตนเองนี่รู้สึกก็ได้อยากได้กระเป๋าก็ซื้อกระเป๋าอยากได้มือถือเครื่องใหม่ก็ซื้อเครื่องใหม่อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวทําอย่างนี้ได้เห็นชัดชัเนี่ย มีความสุขทันทีคนส่วนใหญ่เลยเลยหลงอยู่กับความาการกระทําเหล่านี้การกระทําตามความอยากแต่จะไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการทําตามความอยากมันจะทําให้ใจนี้ไม่สบายเพราะไหนจะต้องคอยหาเงินทองมาสนับสนุนในการใช้เงินตามความอยากต่างๆ สองเวลาที่เงินทองขาดมือไม่พอใช้ก็จะเกิดความเครียดและอาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาได้ใช้อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าการทำบาปนี้มีผลกระทบต่อจิตใจจิตใจจะเป็นจิตใจที่วุ่นวายมากขึ้นเป็นจิตใจที่มีความเครียดความวิตกความกังวลมากขึ้น ความร้อนมากรู้ความรูม้ความรุ่มร้อนมากขึ้นความหวาดกลัวมากขึ้นหวาดกลัววิตกกังวลกับว่าเงินทองจะพอใช้หรือเปล่าอยู่เรื่อยอันนี้แหละคือเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำตามความอยากต่างๆที่มองไม่เห็นกันแล้วถ้าต้องไปทำบาปก็จะไป สร้างภาวะที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นภายในใจต่อไปเวลาที่นอนหลับหรือเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ตายไปผู้ที่ทำบาปเลยต้องไปอยู่ในภาวะของอบายฝันร้ายฝันแต่เหตุการณ์ไม่ดีฝันแต่เหตุการณ์ที่มีแต่ความน่ากลัวฝันอยู่เหตุการณ์ที่มีแต่ความอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลำบาก หรือฝันอยู่ในเหตุการณ์ที่มีภัยต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไปทาร้ายไปต่อสู้กับคนอื่นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปแข่งแย่งชิงดีกันไปฆ่าฟันกันไปแย่งชิงอำนาจกันไปแย่งชิงสมบัติแย่งชิงอะไรต่างๆกันตามความอยากมันก็จะไปสร้างภาวะเวลาที่ร่างกายไม่ไม่มี ใจช่วงที่รอไปรับร่างกายนี้ก็ไม่รู้กี่ปีอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้ช่วงนั้นช่วงที่ใจไม่มีร่างกายมันก็จะฝันไปเรื่อยๆฝันแบบฝันแล้วฝันอีกฝันซ้ซาําๆเหมือนโปรแกรมที่มันติดอยู่ในรูปใครเขียนโปรแกรมมันก็จะวนอยู่อย่างนั้น จนวนไปจนกว่ามันจะออกจากรูปจนกว่าจะมีอะไรมาดึงให้มีร่างกายใหม่มันถึงจะออกจากรูปนั้นได้ฝันดีก็ฝันไปเรื่อยๆฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่มันก็ออกพมาเพราะมันตื่นมีร่างกายดึงให้มาตื่นไอ้ความฝันนั้นก็เลยหยุดทำงานไปก่อนฝันดีหรือฝันร้ายก็อย่างนั้น ฝันดีเพราะเราทําดีในขณะที่เราตื่นฝันร้ายก็เกิดจากการที่เราไปทํำบาปในตอนที่เราตื่นคนที่ฝันดีคนที่ทําดีเพราะอะไรคนที่คนที่ทําดีก็เพราะว่าอาจจะมีคนสอนอาจจะเห็นคุณค่าของการทําความดีว่ามีผลกระทบต่อจิตใจที่ดีก็เลยไม่ได้ทําตามความอยาก เวลาที่จะเลือกระหว่างการทำตามความอยากกับการทำตามความดีเช่นมีเงินก้อนหนึ่งเนจะไปเที่ยวดีหรือว่าจะาไปทำบุญดีบางคนชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้มีองค์กรที่ช่วยเหลือองค์กรการกรุศลที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์กันเยอะแยะบางคนอยากจะช่วยเหลือสัตว์ ป่าก็ไปช่วยเหลือกสัตว์ปา่าบางคนอยากจะช่วยเหลือปกป้องอธรรมชาตาิป่าเขาก็ไปช่วยองค์กรนั้นเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต่างๆให้ช่วยกันเยอะแยะไปหมดอยากจะรักษาโลกให้สะอาดก็ไปอยู่กับองค์กรนั้น อ, อันนี้ก็เป็นการทําความดีต่างๆ <Yeah. S 1> ที่อาจจะมีอยู่ในจิตสํานึกของแต่ละคน คนบางคนก็ไม่มีในจิตสำนึกในเรื่องของการทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่ผู้อื่นมีแต่จิตสำนึกจะหาความสุขหาประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะไม่สนใจกับเรื่องใครทั้งนั้นสนใจแต่เรื่องตัวเองตัวเองอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็พยายามทำให้ได้ก็ต่างกันตรงนี้คนที่มีจิตสำนึกทำความดีก็จะมี ผลกระทบที่ดีต่อจิตใจจิตใจก็จะมีความสงบมากขึ้นมีความเย็นมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นความเครียดความวิตกความกังวลความวุ่นวายใจจะน้อยลงต่างกันตรงนี้แหละผลกระทบต่อจิตใจระหว่างการทำบุญกุศลกับการทำตามความอยากต่างๆคนที่จะหลาจะเห็นผลกระทบคนที่ไม่จรจาจะไม่เห็น คนฉลาดมักจะมองขับมาที่ใจของตนเองมาที่ว่าเฮ้เราทำแล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขความสุขที่ได้มันกลับเนะหายไปความเครียดกลับมากกว่าเวลาทำอะไรตามความอยากรู้สึกว่ามันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็ต้องเกิดความหงุดหงิดํดำคาญใจ<ม>อยู่ไม่เป็นสุข คนที่คอยช่างสังเกตอย่างนี้เขาจะช่างเขาจะรู้ว่าการทำอย่างนี้เป็นได้ผลอย่างนั้นการทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ เ, ออเขาก็จะสามารถที่จะรู้ว่าออทาอย่างไหนจะมีผลกระทบดีต่อภาวะจิตใจของเขาเออการทำตามความอยากนี้มันจะเพิ่มความเครียดความวุ่นวายใจ มันจะสร้างความกดดันให้กับใจอยู่ตลอดเวลาความอยากนี่มันเป็นตัวคอยกดดันคอยกระตุ้นคอยจิ้มคอยจี้ให้เราต้องไปทํานูน่ทนทํานี่แล้วถ้าทาไม่ได้ก็ยิ่งเครียดใหญ่แล้วบางทีได้สิ่งที่มาพอท่านรักสิ่งที่ได้มามากๆเวลาสูญเสียไปก็ยิ่งเสียใจใหญ่เนี่ยนี่คือผลกระทบที่เกิดจากการทําตามความอยากต่อจิตใจ ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลทำความดีนี่มันกลับทำให้ใจเราเย็นสบายมีความสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความภูมิใจบุญกุศลมันมีหลายระดับการช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็เป็นระดับหนึ่งการไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วการที่หยุดใจให้มันนิ่งสงบนี่อันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วการที่มีปัญญาเห็นเห็นคุณเห็นโทษของความอยากกับความไม่อยากเห็นคุณเห็นคุณของการไม่มีความอยากเห็นโทษของการมีความอยากอันนี้ก็ระดับปัญญาถ้าเห็นคุณเห็นโทษ ของความอยากแล้วไม่อยากแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะกําจัดความอยากให้หมดไปเลยส่วนวิธีอื่นนี้เพียงแต่ตัดกําลังของความอยากให้มันเบาลงแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ถ้าเราไปทําตามความอยากเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะโผล่กลับขึ้นมาแรงขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าอยากจะให้ความอยากมันหายไปนี้เราต้องได้บุญกุศลระดับปัญญา เขารู้ว่าความอยากนี่เป็นอันตรายต่อภาวะจิตใจของเราถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราเครียดวุ่นวายไม่ต้องการให้จิตใจเราวิตกกังวลห่วงใยเศร้าส้อยหงอยหเหงาว้าวเเวจิตใจภาวะที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจนี่มันอยู่ที่ตัวความอยากตัวนี้ตัวเดียวนั่น ถ้าเรากําจัดตัวนี้ได้แล้วจะไม่มีอะไรจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่มีอะไรจะสร้างความร้อนใจให้กับเราไม่มีอะไรจะมาสร้างความหิวโหวยให้กับใจของเราใจของเราจะอิ่มถึงแม้ว่าร่างกายจะหิวแต่ใจไม่หิวไปกับร่างกายถ้าใจไม่มีความอยากแต่ถ้าใจมีความอยากบางทีร่างกายอิ่มใจมันยังหิวเลยกินเสร็จไปใหม่ๆมันยังอยากกินขึ้นมาอ่ะ เนี yeah. Yeah. ่ยคืองนั้นเราต้องเป็นคนที่ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราต้องคอยสังเกต ด, ดูที่ใจเราเป็นหลักเวลาทําอะไรแล้วดูผลกระทบที่เกิดกับใจแตอ่อย่าดูระยะสั้นๆต้องอยู่ดูให้ดูให้มันจบมว้วนถ้าดูแค่ระยะแรกมันจะไม่เห็น มันจะเห็นเพียงครึ่งเดียวเวลาเราไปทำอะไรตามความอยากเราได้แล้วเรามีความสุขเรามีความดีใจแต่เราไม่ดูต่อไปแล้วหลังจากนั้นอาจเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมามันจะสุขมันจะดีใจไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนควันไฟแล้วอะไรตามมาใหม่ความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้แหละที่เราต้องคอยดู กับการที่เราไปทําความดีต่างๆนี้มันต่างกันทําตามความดีแล้วใจสงบมีความสุขจใจความอยากที่จะไปทําอะไรที่ให้กับตัวเองมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปความอยากที่จะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าทําได้ก็ทำํำแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหา ความอยากทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมันจะไม่มาไม่เป็นเหมือนกับความอยากที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองการทำตามความอยากให้กับตัวเองนี่มันจะคอยบีบคั้นเราอยู่เรื่อยๆแต่การทำความอยากทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นนี้มันไม่บีบคั้นทำได้ก็ทำไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ทำอย่างไอคนที่วิ่งหาเงินการกุศลนี่ ถึงแม้อยากจะวิ่งอีกถ้ามันไม่มีแรงวิ่งมันก็ไม่วิ่งมันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมถึงแม้จะอยากแต่ร่างกายมันบอกไม่ไหวทำไม่ไหววิ่งอีกวิ่งอีกเที่ยวหนึ่งไม่ไหวอยากทำแต่ไม่ได้ทำแบบนี้กลับไม่ไม่เดือดร้อนมันไม่บีบคั้นจิตใจไม่เหมือนกับการที่ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวใหม่เนี่ยมันบีบคั้น ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวนี่มันจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าซ้อยง่อยเหงาขึ้นมาทันทีนี่แหละคือสิ่งที่ต่างกันเวลาเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นกับเวลาทําประโยชน์ให้กับเราอประโยชน์บางส่วนที่เราทําให้กับเรานี้ไม่เสียหายถ้ามันเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นร่างกายของเรานี้เราก็ต้องเลี้ยงดูมันอันนี้ เราถ้าเราทำโดยไม่ได้ทำตามความด้วยความอยากไม่เป็นปัญหาทำเหมือนกับเป็นหน้าที่ถึงเวลาต้องเติมอาหารให้ร่างกายก็เติมให้มันถึงเวลาต้องเติมน้ำก็เติมให้มันถึงเวลาให้มันพักผ่อนก็พักผ่อนการทำแบบนี้ไม่เป็นโทษไม่มีไม่มีความอยากนอกจากพวกที่อยากกินอยู่เรื่อยๆพวกนี้จะมีมีปัญหาเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินก็จะงดหิดนําคาญใจ หรเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ถูกปากถูกใจก็จะหงุดหงิดเดี๋ยวกาแฟาหมดเดี๋ยวน้ําชาหมดเดี๋ยวเป๊ปซี่หมดนี้เดี๋ยวโคลาหมดอะไรงนี้พอไม่ได้กิน่งนี้มันก็จะเกิดความหงุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการทําตามความอยากให้กับตนเองเนี่นนยนเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะ ให้มีความสุขใจเย็นใจสบายใจมากขึ้นพยายามลดละการกระทาตามความอยากให้กับตนเองให้มันน้อยลงแล้วไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นดีกว่าแล้วจะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเพราะเรายังอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้กับเราแล้วเราไม่ได้ทำเราจะรู้สึกไม่สบายใจงดยิดใจ แต่ถ้าเราเวลาที่เรารู้สึกหงดหงิดนี้ไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแทนความรู้สึกหงดหงิดมันก็จะหายไปเพราะเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเราก็จะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นมามีความสุขใจทำประโยชน์ในเรื่องที่เราชอบแต่ละคนก็มีชอบทำประโยชน์ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ย เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวสงฆ์ก็บางคนก็ชอบปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ชอบไปดูแลเด็ดกัม้าดูแลคนชราดูแลคนป่วยไขย้มีอะไรร้อยแปดที่เราสามารถที่จะทำเพื่อให้จิตใจเรามีความเย็นมีความสบายไม่มีผลเสียกลับมากระทบกับจิตใจแต่การทำตามความอยาก เพื่อประโยชน์ของเราอันนี้แหละมันมีผลเสียมีผลกระทบกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับมองไม่เห็นกันพอเวลามันมีผลกระทบเราก็ไปแก้ด้วยการไปทำตามความอยากพอเกิดอารมณ์ไม่สบายเกิดจากความอยากที่ต้องอยากไปทำนู่นทำนี่ก็ไปทำมันพอไปทำมันอารมณ์ไม่ดีที่เกิดจากความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่เรื่อย แล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันที่เราจะไม่สามารถที่จะไปทำตามความอยากได้หนึ่งเราอาจจะไม่มีปัจจัยไม่มีทรัพย์ที่จะพาไปทาตามความอยากได้ตอนนั้นเราก็จะหดเหยีดนะเครียดเนื้อบางทีร่างกายของเราอาจจะไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้เราอยากจะไปเที่ยวร่างกายไม่สบายไปไม่ได้ ตอนนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราคิดเป็นเราจะเห็นภัยของความอยากต่างๆความอยากมีอยากเป็นอยากไปนู่นมานี่อยากดูนั่นดูนี่อยากฟังนั่นฟังนี่ความอยากอันนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามลดมันตัดมันลงไปดีกว่าแล้วมาทำในสิ่งที่ทำให้ใจเรา มีความอยากน้อยลงมีความอิ่มใจสุขใจมากขึ้นขั้นแรกก็คือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราเรียกว่าทำบุญการทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญก็มีหลายรูปแบบหลายลักษณะทำกับที่ไหนก็ได้เบื้องตอน้นการทำกับในบ้านก่อนเราต้องทำบุญกับคนในบ้านก่อน ให้คนในบ้านกับเราอยู่กันอย่างมีความสุขก่อนเราก็ต้องมีการเสียสละแบ่งปันในครอบครัวไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวเราก็ต้องเอาใจคนอื่นด้วยคนอื่นเขาถึงจะอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันครอบครัวบางครอบครัวอยู่กันแล้วไม่มีความสุขเพราะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำบุญไม่ดูแลกันไม่ ดูแลแต่ดูแลไม่ถูกดูแลในทางในทางวัตถุแต่อาจจะไม่ดูแลทางด้านจิตใจต่อความรู้สึกต่อกันอันนี้มันก็ต้องดูแลให้ครบให้คนที่อยู่ร่วมกันนี้มีความสุขตามตามความเหมาะสมคือจะให้เราให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่เราอยู่ด้วยก็คงไม่ได้ เพราะคนเรามันก็มีความอยากถ้าให้แล้วเดี๋ยวเขาก็อยากจะให้เราให้อ่เรื่อยๆอันนี้ก็จะอาจจะทำให้เกิดเสียนิสัยขึ้นมาได้ก็ต้องรู้จักว่าอะไรควรจะให้อะไรไม่ควรจะให้ให้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นถ้าขาดแคลนเรื่องเครื่องใช้ไม้สอย เครือ่องของจำเป็นที่ต้องมีปัจจัยสี่อันนี้ก็ต้องให้กันแต่ถ้าให้ตามความอยากของเขานี้มันก็มันก็ไม่พอเช่นเขาอยากดื่มสุราก็ซื้อสุราไาห้เขาดื่มอยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรือเขาอยากจะเอาเงินไปเล่นการพนันเราก็ให้เขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่พอแต่ถ้าให้เพราะว่าเขามีความจาเป็นที่จะต้องไป หาหมอไปซื้อเสื้อผ้าหรือไปทําอะไรบางอย่างที่จําเป็นต้องทำอย่างงี้ถ้าอยู่ในความเหมาะสมก็ให้กันไปเอช่วยเหลือกันไปอยู่ในบ้านด้วยกันอจะได้มีความสุขเอทําบุญได้กับทุกคนบุญนี้ไม่ว่าจะทําคนเราส่วนใหญ่ที่ว่าทําบุญต้องทําที่วัดอย่างเดียวะอันนี้วัดก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราทำได้และวัดนี้เป็นเป็นส่วนที่สาคัญเพราะว่าวัดนี้เป็นแหล่งของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเรื่องของเรื่องของการทำบาปเรื่องของผลบุญผลบาปอะไรต่างๆนี้วัดเป็นแหล่งของความรู้เพราะวัดมีที่มีผู้ที่มาศึกษามาค้นคว้ามาปฏิบัติหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญ คุณโทษนรกสวรรค์เรื่องของการเบียนไหว้ตายเกิดเรื่องของความทุกข์เรื่องของความสุขนี่อยู่ที่วัดนีแล้วก็วัดไม่มีรายได้ของตนเองเพราะวัดไม่ได้เป็น อ, องค์กราหาแสวงหากําไรไม่เป็นองค์กรธุรกิจเป็นองค์กรที่อยู่ด้วยความศรัทธาดังั้นคนที่มามาทำบุญกับ ว, วัดเพราะเขาเห็นว่า เขาอยากจะทํานุบำรุงสนับสนุนให้วัดสามารถตั้งอยู่ได้เพื่อเป็นแหน่งของของผู้ที่ไม่มีความรู้จะได้มาศึกษามารับความรู้ได้วัดก็เป็นสถานที่สำคัญต่อการทำบุญแต่ถ้าถ้าวัดมีเพียงพอแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งไปทำที่อื่นได้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสนับสนุนวัดก่อน พาะวัดเป็นหัวใจของเราเออส่วนด่งอื่นเราก็ทำต่อไปแล้วแต่ความเหมาะสมออแม้แต่พระที่อยู่ในวัดถ้าท่านเห็นว่าวัดของท่านมีพอเพียงแล้วท่านก็ไปทำประโยชน์กับที่อื่นต่อท่านก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ออที่ไหนมออีความเดือดร้อนที่ท่านเห็นว่าสมควรที่จะช่วยเหลือท่านก็ไปช่วยเหลือต่อ คือต้องการทำบุญช่วยเหลือกันโลกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะว่าเราดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันเวลาใครล้มเราก็ต้องช่วยกันให้เขารุกขึ้นมายืนเพื่อเขาจะได้เดินต่อไปได้แต่จะช่วยแบบแบกบเขาไปตลอดพอเขาล้มก็อุ้มเขาอิ้มน ไม่ได้อุ้มน้าเดียวเขาก็สบายเขาก็เลยปล่อยให้เราอุ้มไปเรื่อยๆถ้าช่วยแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ดีช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้เวลาเขาช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเขาไม่สบายก็พาไปรักษาตัวช่วยตัวเองไม่ได้เพราะขาดความรู้ก็ให้เขาไปเรียนหนังสือ เด็กๆก็สนับสนุนค่าทุนการศึกษาให้เขาได้เล่าได้เรียนเขาจะได้มีวิชาความรู้เขาจะได้ไม่ต้องไปลักขโมยไปเป็นโจรไปป้นไปจี้เพื่อจะได้มีรายได้เขาก็มีความรู้เขาก็จะได้เอาความรู้ไปทํางานมีรายได้ให้ช่วยแบบนี้ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นบุญกุศลต่างๆ ที่ทำแล้วมีผลกระทบที่ดีต่อจิตใจของเราตั้งแต่เราทำเลยเพอทำนิจใจเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นเลยสบายใจขึ้นบางวันไม่สบายใจลองไปทำประโยชน์เป็นอาสาสมัครทำประโยชน์ให้ที่ไหนสักแห่งดูที่เราชอบเนี่ยทำแล้วเราจะรู้สึกมีความสบายใจต่างกับการที่เราไปเที่ยวเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันพอกลับมาความ ความไม่สบายใจมันก็กลับมาหาเราอีกแต่ถ้าเราไปได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่บางทีกลับมาแล้วความไม่สบายใจนั้นหายไปเลย <c oughs> อานุภาพของการทำความดีนี่มันให้ความสุขความสบายใจที่มากกว่าและนานกว่ากว่าความสุขความสบายใจที่เราได้จากการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆไปซื้อข้าวของอะไรตามความอยากต่างๆ มันดีใจเดี๋ยวเดียวไม่เหมือนกับสิ่งที่เราไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมันจะอยู่กับเรานานบางทีหลายวันหลายเดือนไปคิดถึงมันก็ยังทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจสุขใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงที่เราเคยเที่ยวมาสามเดือนก่อนคิดแล้วนี่มันก็โหยขึ้นมาอยากจะกลับไปเที่ยวใหม่นี่ะคือความแตกต่างของการหาความสุขกัน หาความสุขตามความอยากนี้มันจะทำให้เราหิวเราอยากไปเรื่อยหาความสุขด้วยการเสียสละแบ่งปันมันจะทำให้เรามีความสุขความเย็นใจสบายใจไม่หิวโหยอันนี้ก็ระดับแรกท่านทึ่สอนให้เราทำบุญในรูปแบบต่างๆกันสรุปก็คือการทำบุญก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละแบ่งปัน ความสุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นไปเรามีความสุขแบบไหนเรานาแบ่งปันความสุขแบบไหนได้ก็แบ่งไปบางทีไม่มีเงินเราก็เรามีเวลาเราไปเป็นอาสาสมัครไปทำงานช่วยสังคมเลยอันนี้ก็แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นทำได้มีหลายวิธีด้วยกันไม่มีเงินก็ใช้กำลังกายไม่มี กับหรือถ้ามีวิชาความรู้ก็ไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษก็ได้เป็นครูสอนวิชากวดวิชาไม่คิดเงินทองอให้เรียนฟรีอันนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นทำไงก็ได้อย่างญาติโยมที่มาช่วยถ่ายทอดสดนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มาถ่ายทอดสดก็คนที่บ้า น, นต้องสี่ห้าร้อยคนก็ไม่ได้ดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นทำแล้วเราก็มีความรู้สึกสบายใจมีความสุขใจสุขกว่าขับรถไปเที่ยวดูน้ำตกหรือไปดูทะเลท้องฟ้าเลยผลมันต่างกันนะอันนี้เป็นบุญกุศลระดับแรกที่เราทุกคนสามารถทำกันได้พยายามทำกันเถิดพยายามลดการกระทำตามความอยากต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง เรามีความสุขพอแล้วเรามีกินมีอยู่เราไม่เดือดร้อนนี่แสดงว่าเรามีความสุขพอแล้วไปเที่ยวไปอะไรนี้เป็นความสุขปลอมซื้อไปทำประโยชน์ดีกว่าเป็นความสุขที่ที่จริงเป็นความสุขที่อยู่กับเราได้นานกว่าพอเราทําระดับแรกได้เราก็สามารถเลื่อนระดับไปทําระดับที่สองได้ก็คือการไม่ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นอกจากการทำความสุขแล้วเราก็ต้องคอยระวังอย่าไปทำความเสียหายความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะบางเวลาเรายังอาจจะมีอารมณ์เสียขึ้นมาได้เวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันอาจจะทําให้เราไปทําในสิ่งที่เสียหายแก่คนอื่นได้เช่นเราอยู่ในช่วงที่อดอยากขาดแคลน อาจจะบีบให้เราต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าการทำบาปการทำเบียดเบียนผู้อื่นนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของเรายิ่งกว่าภาวะที่เราตกอยู่ภาวะตกอับของเรานี้เราอยู่กับมันได้เราอยู่กับมันไปมันไม่มีมันไม่มีโทษร้ายแรงเหมือนกับ ผลที่จะเกิดจากการทำบาปเออย่างถ้าเราอดอยากขาดแคนอดอดทนไปดีกว่าดีกว่าที่จะไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์หรือไปลักขโมยอาหารมารับประทานถ้าหางานอะไรง่ายได้ก็ทำไปงานไม่เลือกก็ให้มีได้แลกเปลี่ยนเป็นอาหารมาก็ดีกว่าไปลักทรัพย์ไปทำร้ายผู้อื่น ไปกวาดขยะก็ได้กวาดขยะเดี๋ยว ก, ก็ให้แล้วสามร้อยวันหนึ่งก็สามารถหาเงินมามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ดังนั้นเราต้องต้องเห็นโทษของการที่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะมันจะกลับมาหาเราใจเราจะไม่สบายเวลาเราทำทาบาปนี้ใจเราไม่สบาย บางทีเราไม่ได้ตั้งใจทาเรายังไม่สบายเลยยังมีญาติโยมส่งคำถามมาเรื่อยบางทีขับรถไปชนสุนัขโดยไม่มีความตั้งใจเนี่ยพอชนมันตายหรือมันเจ็บแล้วก็ไม่สบายใจทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความไม่มีเจตนาอันนี้ยังไม่บาปถ้าทำด้วยเจตนาเนี่มันจะบาปมันจะมีผลตามมาแต่ถ้าทำด้วยไม่มีเจตนามันไม่มีผลทาง ทางจิตใจตามมามันจะไม่นอนหลับฝันได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำในระดับที่สองก็คืออย่าไปทำอะไรเสียหายหแก่ผู้อื่นก็คือให้รักษาศีลห้าให้ได้ศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่าฆ่ากัน อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดโกโหกหลอกลวงกันและอย่าดื่มสุรายาเมาคนดื่มสุรายาเมาแล้วมักจะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเมาแล้วขับเห็นไหมเมาแล้วขับคนต้องตายเพราะคนเมานี่มีไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ถ้าไม่ดื่มสุราเวลาขับรถมันก็จะมีสติมันก็จะมีความระมัดระวัง ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยบางทีรถยนต์เครื่องโดนเสียเบรกแตกเบรกไม่ได้ถึงเวลาจะเบรกเบรกไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันไม่เป็นเรื่องของบาปเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะอันนี้คือระดับที่สองของการที่จะให้เรามีความสุขใจเย็นใจสบายใจคือการไม่ทาบาป เวลาเราไม่ทำบาปแล้วเราจะสบายใจเราจะไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวลนอนหลับเราจะไม่ฝันร้ายส่วนการทำความดีเวลานอนหลับก็จะฝันดีจะเป็นที่รักของคนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนทำความดีเนี่ยคนทำบุญนี้จะเป็นเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองปกป้องรักษา นอนหลับจะไม่ฝันร้าย เ, ออเดินก็สุขหลับก็สุขออออจะไม่มีใครที่จะมาฆ่าเราด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครเอามีดมาแทงไม่มีใครเอาปืนมายิงไม่มีใครจะวางยาพิษ เ, เพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนมีแต่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมีแต่คนเขาจะรักจะหวงเราจะห่วงเร า, เราเออแล้วเราจะมีหน้าตา ยิ้มย้มแจ่มใสหน้าตาผ่องใสถ้านั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติหรือถ้าถ้าไม่ได้ไปถึงถึงภพที่สูงกว่าก็จะไปสู่สุคติถ้าไปถึงภพที่สูงกว่าก็ไปไปเป็นเทวไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไป อันนี้คือผลกระทบที่จะเกิดจากจิตใจของเราที่เกิดจากการทำบุญหรือไม่ทำบุญอันนี้ให้คิดดูผลที่กระทบจากการไม่ทำบุญมันจะทำให้เราอยากอย in ู่เรื่อยๆถ้าเราทำตามความอยากมันจะอยากแล้วมันจะพาให้เราไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันจะไม่ตายด้วยการทาตามความอยาก การทำตามความอยากนี้เป็นการขยายความอยากให้มีมากขึ้นการที่จะทำให้ความอยากหมดไปนี้เราจะต้องมาทำบุญกันทำบุญทำความดีมันก็จะลดความอยากได้ทำบุญรักษาศีลได้ก็จะลดความอยากได้เพราะการทำบาป ก, ก็เกิดจากการมีความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไม่สามารถไปหามาเองได้โดยถูกต้องโดยวิธีที่สุดจลิต ก็ต้องไปทำด้วยวิธีทุจริตเช่นเงินทองเดี๋ยวนี้มีข่าวาวเป็นทุกแหล่งทุกแห่งทุกคนไหมไม่ว่าวัดวารเดี๋ยวนี้ก็โดนด้วยใครไปเชื่อว่าจะมีปัญหาทาั้งทางวัดทางวากันเรื่องเงินทองเรื่องของความอยากทั้งนั้นเละหมอยากมีเงินมีทองอยากใช้เงินใช้ทองกันพอได้อยู่ใกล้ชิดเงินทองมีโอกาสที่จะ โกงได้มีโอกาสที่ลักทรัพย์ได้ถ้าใจไม่มีศีลมันก็ห้ามไม่อยู่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้มันไปหมดเมื่อก่อนก็มีด่าตามาหน่วยราชการราชการต่างๆใช่โกงเงินของคนคนยากจนนี่นี่มาโกงเงินของวัดแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยเพราะไม่มีศีลไม่มีความ พอสู้ความอยากไม่ได้ปล่อยให้ความอยากมันขยายตัวมีกําลังมากขึ้นมันจะฉุดลากให้เราไปทําบาปตอนต้นก็ไม่ทําบาปเพราะมันหาได้โดยที่ไม่ต้องทําบาปแต่ต่อไปมันจะพอมันอยากแล้วมันจะอยากมากขึ้นะตอนต้นก็อยากได้เล็กๆน้อยๆร้อยสองร้อยพอต่อไปก็อยากจะได้ 1, 2, พันสองพันเพราะในของที่อยากจะซื้อมากขึ้น ที่อยากจะไปมากขึ้นต่อไปก็หมื่นสองมืต่อไปก็แสนสอง0 0นมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้เราทำตามความอยากกันเน่เราะั้นเราจึงต้องระมัดระวังเรื่องของการทำความอยากน<ม>ถ้ามีเงินจะเอาไปใช้ตามความอยากายา ก, ายาก็เอาไปทำบุญเถิดมีคุณมีประโยชน์กว่าเพราะจะล้างความอยากล ด, ลดความอยากลงไปได้แต่ความอยากเหล่านี้มันจะไม่ตายสนิทมันจะไม่หมด มันจะหมดต้องไปทำประโยชน์ระดับที่สามและที่สี่ทำบุญกุศลระดับที่สี่สามที่สี่ระดับที่สมก็คื อ, อทำจิตให้สงบ เ, เวลาจิตให้สงบนี้เราจะหยุดความอยากได้ทั้งหมดเลยแต่ดับแบบชัว่วคราวเวลาจิตสงบนี้ความอยากทำงานไม่ได้เลย ถ้าเรารักษาศีลมันถึงแม้เราจะรักษาศีลอยู่มันก็ยังอยากอ ย, กอยู่เพียงแต่ว่าเราเราใช้ศีลมาคอยห้ามไว้มาคอยกัน้นมันไว้เท่านั้นแต่เวลานั่งสมาธิทําใจสงบนี้ความอยากหายหมดเลยหายชั่วขณะที่ใจสงบเนี่ยแต่พอออกจากความสงบมาเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอีกพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากได้แล้วคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากขึ้นมาอีก ถ้าอยากจะให้มันหมดอย่างถาวรนี้ต้องสร้างบุญสร้างกุศลขั้นที่สี่คือปัญญาคือให้เห็นโทษของความอยากว่าผลกระทบต่อจิตใจมีแต่ไม่ดีไม่มีอะไรที่ดีต่อจิตใจเลยถ้าเราไปทำตามความอยากเพียงแต่มันเกิดขึ้นมาก็มีผลไม่ดีแล้วเวลาใจอยู่เฉยๆนี่สบายนะพอเกิดความอยากขึ้นมานิดหนึ่งนี่เริ่มอึดอัดขึ้นมาแล้ว อยากสูบบุหรี่อยากดื่มกาแฟอยากดูนั่นดูนี่พอนั่งเฉยๆมันจะเริ่มรู้สึกเกิดอัดขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่มีความอยากเนนั่งเฉยๆได้สบายเนี่ยเพียงแต่เกิดความอยากก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว เ, เป็นตัวจุดชนวนที่จะทําทให้เราต้องไปทําอะไรตามความอยาก พอมันเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเราก็ไปคิดว่าการไปทําตามความอยากจะทําให้ความไม่สบายใจนั้นหายไปมันหายแต่ความอยากมันไม่หายตัวความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากมันหายไปชัว่วคราวเพราะความอยากมันหยุดทํางานชัว่วคราวเวลาอยากดื่มกาแฟพอได้ดื่มกาแฟความหงุดหงิดที่เกิดจากการอยากดื่มกาแฟก็หายไป แต่เดี๋ยวพอริดกาแฟหมดเดี๋ยวความอยากดื่มกาแฟก็โผลขึ้นมาใหม่มันไม่มีวันหมดอันนี้คือปัญญาต้องเห็นโทษของการทําตามความอยากว่าจะนำไปสู่ความไม่สบายใจตอนต้นจะได้ความสุขใจเดี๋ยววตอนที่ได้ทําอะไรตามความอยากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําให้หิวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ทา ไม่ได้ดังใจอยากก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายใจ น, นี่คือปัญญาถ้าเราเห็นโทษของความอยากด้วยปัญญาเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนยาพิษนี่ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดืม่มที่เราเดื่มนี่มันจะทำให้เราเป็นโรคมะเร็งเราจะกล้าดื่มมั้ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความอยากว่าเป็นเป็นเหมือนโรคมะเร็งเราจะไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันเลยอันนี้เป็นวิธีที่จะ กำยกำจัดความอยากได้อย่างถาวรความอยากนี้ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันมีต้นมีรากมีกิ่งมีใบใช่วิธีที่เราจะทำลายต้นไม้ถ้าเรามีแรงน้อยแล้วก็ไปตัดใบก่อนตัดใบมันก็จะทำให้ละต้นไม้มันไม่โตต้นไม้มันจะโตได้มันต้องมีใบเป็นที่รับอาหารรับแสงแดดเข้ามา มันจะริญเติบโตถ้ามันไม่มีใบมันก็จะไม่ไม่เติบโตแต่มันไม่ตายถ้าเรามีกำลังมากขึ้นเราก็ไปตัดกิ่งก้านเพื่อใบไม้มันจะได้ไม่มีโอกาสที่จะโตแต่มันก็ยังไม่ตาย ήσ? มันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็งอกกิ่งขึ้นมาใหม่ได้นี้นเราพอพอเรามีกำลังมากขึ้นเราก็ไปตัดตัดต้นเลยทีนี้ตัดที่โคนเลยตัดที่โคนมันก็ยังไม่ตาย ปมนะมันยังมีรากอยู่แต่อยากจะให้มันตายอย่างถาวรต้องขุดรากมันออกมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมระดับต่างๆบุญกุศลที่เราทําระดับต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดต้นไม้ทําบุญนี้ก็เหมือนกับการตัดกิ่งของความอยากตัดใบไม้ตัดใบของความอยากการรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งการของความอยาก การนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เหมือนกับตัดต้นไม้ตัดทั้งต้นเลยแต่มันยังไม่ตายถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้มันตายต้นไม้นี้ตายอยากให้ตัณหาตายก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดเนี่ยตัวสุดท้ายคือปัญญาตัดต้นแล้วทีนี้ก็มาขุดรากเอารากของความอยากขึ้นมารากของความอยากคืออะไรก็คือความหลง หลงที่ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวปัญหาไม่รู้ว่าการทำตามความอยากไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีสร้างปัญหาเนี่ยเราเราหลงกันเราหลงแก้ปัญหาด้วยทำตามความอยากกันใช่ไอยากได้อะไรเราก็ไปทำกันแล้วปัญหาใหม่มันก็ตามมา <Yeah. S 1> ปัญหาใหม่ก็คือเวลาอยากแล้วไม่มีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทาตามความอยาก เพราะเราไม่รู้ธรรมชาติของความอยากว่ามันไม่หายไปถ้าเราทำตามความอยากมันจะหายไปต่เมื่อเราหยุดทำเราจะหยุดทำได้ต้องเห็นโทษของความอยากเห็นว่าความอยากนี้เป็นภัยและการทำตามความอยากไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นแล้วความอยากก็จะหมดไป คนอยา ก, ด, กา ى, ดื่มกาแฟลองเลิกดื่มกาแฟดูสิทุกครั้งที่อยากจะดืม่มกาแฟ ى, ไม่ดืม่มเนี่ยเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็หายไปคนที่เขาไม่อยากดืม่มกาแฟเขาไม่มีปัญหาเหมือนกับคนที่อยากดืม่มใช่ไหมคนที่อยากดืม่มเียก็ต้องคอยหากาแฟ pais, ดืม่มอยูเ่เรื่อยคนที่ไม่อยากดืม่มกาแฟ ى, เขาสบายไม่เดือดร้อนคนที่ไม่อยากสูบบุหรี่เขาสบายไม่ต้องหาบุหรี่มาสูบ คนที่ไม่ดื่มสุราเขาก็สบายไม่ต้องคอยหาสุรามาดื่มคนที่ไม่เที่ยวก็ไม่ต้องไปหาที่เที่ยวคนที่ไม่ดูหนังก็ไม่ต้องคอยหาหนังดูนะไอของอะไรต่างๆที่ทำตามความอยากมันจะทาให้เราต้องหามันอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาใหม่เนี่ยที่เรามาเกิดกันก็เพราะความอยากนี่รู้รเปล่า ที่เราต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการมีร่างกายนี้ก็เพราะความอยากนี่แหละไม่มีอะไรหรอกที่เป็นตัวปัญหาตัวเจ้าปัญหาก็คือความอยากกาะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาสามตัวนี้กําจัดมันได้ด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาวันนี้ก็เจริญปัญญาด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็ได้มาทาบุญคะ วันนี้ก็ได้รักษาศีลในขณะที่นั่งอยู่ได้ทำสมาธิในขณะที่ฟังทำแต่ไม่พอต้องทำบ่อยๆต้องทำมากกว่านี้ตอนนี้เป็นเพียงแต่ดูหนังตัวอย่าง ถ้าอยากจะดูหนังจริงต้องไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนต้องฝึกนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนมีเงินทองถ้าจะอากไปใช้ตามความอยากก็เอาไปบริจาคเอาไปทำบุญหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บไว้สำหรับใช้ในสิ่งที่จําเป็นก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราอาจจะต้องมีเงินทองสำรองไว้บ้างก็เก็บสารองไว้ได้ตาบได้ถ้าเราไม่เอาไปใช้ตามความอยากมันไม่เป็นปัญหาอะไร นี่คือเรื่องของคนที่ทําบุญกับคนที่ทําตามความอยากนะผลกระทบต่อจิตใจจะไม่เหมือนกันคนที่ทําบุญนี้จะนำไปสู่ความล่มเย็นเป็นสุขไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ของคนที่ทําตามความอยากจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจความความความเครียดความอะไรต่างๆไปไม่มีวันสิ้นสุดนะเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็กลับมาเกิดอยู่เรื่อย ยึงขอให้ท่านตกนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏัติตังตุมหังคิปะเมวะสเมชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยะาสภิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายอสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนศีริสานิจจังวุฒาปจายโนยตตาโรธรมมาวาทานติอายุวันโนสุขัง วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อย u b ้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบห้าวิทยุยี่สิบสี่อยู่ข้างบนนี้หกสิบสองคนทั้งหมดเป็นหกร้อยสามสิบแปดครับมีคำถามน้องถามมันดู คำถามจากคุณนอสทำไมจิตใจอย่างปุถุชนอย่างผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ครับแล้วทำยังไงทำให้จิตใจเราดีตลอดเวลาครับเราขาดตัวควบคุมตัวควบคุมมีกำลังน้อยเลยปล่อยให้มันขึ้นขึ้ น, นลงลงถ้าเรามีตัวควบคุมดีมีกำลังก็จะควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่เสถียรได้คือไม่ขึ้นไม่ลง ตัวควบคุมใจก็คือสติกับปัญญาสองตัวถ้ามีสติมีปัญญาแล้วเราจะสามารถควบคุมใจให้อยู่อย่างปกติได้ไม่ขึ้นไม่ลงไม่วุ่นวายใจไม่เสียอกเสียใจไม่ดีอกดีใจจะเฉยกับทุกอย่างได้ เนี่ยเราที่เรามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาสร้างธรรมะสองตัวนี้สร้างสติกับสร้างปัญญาด้วยการส น, สนับสนุนของศรรีลเราต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างสติและสร้างปัญญาถ้าเราไม่มีศรรมีลเราจะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างสติสร้างปัญญาเพราะเราจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนคําถามครับ กราบเรียนถามพระอาจารย์เริ่มเจริญภาวนาและนั่งสมาธิทำให้นอนหลับไม่ฝันเลยเจ้าคะ่ะปกติเวลาเราหลับนั้นจิตท่องเที่ยวได้หรือไม่เจ้าคะก็ฝันไงนจิตมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่เหมือนร่างกายมันไม่ได้เที่ยวด้วยการเคลื่อนไหวมันเที่ยวด้วยความคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณไพโรธ ขอรบกวนสอบถามครับวันพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาคมวันวิสาขบูชาพระอาจารย์สุชาติมีเทศตอนบ่ายสองตามปกติไหมครับมีทุกวันเนี่ยไม่ว่าวันไหนที่นี่ก็มันถูกมัดตายตัวนะ้วเพราะมีคนมาทุกวันบ่ายสองเขามาคนมาซื้อของคนขายของก็ต้องก็ต้องเปิดร้านขาย <c oughs> ไม่อยากจะเปิดก็ต้องเปิด ก็ไม่รู้จะไปไหนด้วย ม, มีคนถามเรื่องบินธบัตด้วยนะครับอ๋อก็ปกติเหมือนกันเราก็ถือกิจวัต ร, รบินธบาติเป็นกิจวัต ร, รปกติทุกวันนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นที่จะไม่ได้ไปบินธบาติช่วงนี้เวลาบินธบาติเริ่มต้นประมาณตีห้าสี่สิบห้าเพราะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สว่างเร็วการเวลาบินธบาติมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูด ฤดู ร, ร้อนี่อาทิตย์จะขึ้นเร็วอก็เลยต้องออกเร็วเพราะพระเราไม่ได้ดูที่นาฬิกาดูที่แสงสว่างพอเห็นใบไม้ชัดเจนก็ถือว่าสว่างแล้วออกบินบาบได้แล้วถ้าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูหนาวตอนนี้ยังมืดตอนตีห้าสี่ห้านี่ยังมืดตื่อ 4, เลยยังมองไม่เห็นใบไม้ยังไม่ออกช่วงฤดูหนาวนี่มักจะออกประมาณหกโมงสิบห้า ช้ากันในครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงสองเวลานี้ระหว่างตีห้าสี่สิบห้าถึงหกโมงถึงหกโมงสิบห้าที่จะเริ่มบินนบาดก็สําหรับวันพรุ่งนี้ก็ประมาณตีห้าสี่สิบห้าที่บ้านอาเภอยกเว้นถ้าเกิดฝนตกมันมืดมัวก็อาจจะสายเพราะมันยังไม่สว่างถ้ามีฝนตกนี่มันจะมืดอาจจะสว่างช้าอีกสักห้าหรือสิบนาทีก็ได้ คำถามจากคุณคนบนเอาอะไรเป็นตัวตัดสินว่าควรเก็บรักษาความอยากในปัจจุบันอันนั้นต่อไปเพราะบางทีเราอยากให้คนอื่นได้ดีจากที่เราทำความดีทำประโยชน์ให้สุดท้ายก็เป็นทุกข์ได้และฉันทะต่างกับตัณหาอย่างไรครับออตัณหาก็คือมันโดยที่ทำให้ใจเราทุกข์เราเรียกว่าตัณหา ตัวที่ทําให้ใจเราไม่ทุกข์เราเรียกว่าฉันทะตัวที่ทําให้เราสุขเราเรียกว่าฉันทะเช่นความอยากทําบุญความอยากรักษาสีนี่มันทําให้เรามีความสุขไม่ได้ทําให้เราทุกข์ก็เราก็ไม่เรียกว่าตัณหาแต่ความอยากไปเที่ยวอย่างนี้มันไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์นี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัณหาขึ้นมาความอยากเที่ยวพออยู่เฉยๆมันก็ไม่สบายใจแล้ว พอไม่ได้เที่ยวมันก็ไม่สบายใจแล้วอันนี้ตัณหามันมีแค่าสามตัวความอยากในรูปเสียงกลกกกิ่นรสพลัทธะความอยาก ม, มีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่แล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้นั่นอยากไม่ได้นี่นนเรียกว่าตัณหาเพราะความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจเราไม่สบายแต่ความอยากที่ทำบุญอยากยันปฏิบัติธรรมนี่มันทาให้ใจเราสบายมีความสุข อยากแล้วไม่ได้ทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ได้ทำก็รอไปก่อนได้ไม่หงดหงิดไม่ลำคาญใจเนี่ยคำถามจากคุณมายกราเพรียนถามพระอาจารย์เรื่องฝันเห็นบนรรพบุรุษที่ล่วงลับบอกว่าอยากทานผลไม้ถ้าความฝันเป็นจริงแสดงว่าผู้ล่วงลับไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีใช่ไหมเจ้าคะ ก็แสดงว่าเป็นเปรตไงเขาหิวไงเขาไม่มีบุญที่จะเนรมิตผลไม้ที่เขาอยากจะกินได้ก่อนที่ทําบุญมากๆเขาจะในะเวลาเขาอยากกินอะไรจิตจะเนรมิตขึ้นมาเพราะเขาเคยทําบุญบริจาคของเหล่านั้นพอเขาต้องการมันก็กลับมามันฝังอยู่ในใจของเขา แต่ถ้าไม่เคยบริจาคอะไรเลยพออยากได้อะไรมันไม่มีในสต็อกให้เราเรีย <c oughs> การทําบุญเหมือนกันไปสร้างสต๊อกของไว้สต๊อกของ <c oughs> อยากจะกินอะไรรีบไปทําบุญดนะ้ว <c> ย <oughs> ไปโชว์ช่วงนี้ทุเรียนเยอะเอาไป <c oughs> อยากจะกินทุเรียนเอาไ ป, ไปาใส่บาทซนะใส่บาททุเรียนเยอะๆเดี๋ยวเวลาตายไปเวลาฝันอยากจะกินทุเรียนมันก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันให้เรากินเี่ย พวกที่ซื้อแต่ทุเรียนกินเองเนี่ยพอเวลาตายมันไม่มีมันไม่มีทุเรียนหลงอยู่ในใจเพรฝันอยากกินทุเรียนมันก็ไม่มีทุเรียนให้กินมันก็เลยต้องมาเข้าฝันคนอื่นฝันว่าอยากจะกินทุเรียนโอยเดี๋ยวพวกนี้ใส่เดี๋ยวทุเรียนเต็มไปหมด ยังเงินก็ได้นะไม่ยังเดวยวพอบอกทุเรียนก็ทุเรียนเดียวคำถามจากคุณนรุมิตรกรณีที่ถูกบีบคั้นกดดันจากปัญหาทางโลกหากเรายังแก้ไขไม่ได้จะใช้วิธีสงบใจด้วยการทำสมาธิเพื่อทำใจให้ยอมรับความจริงนี้ จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าปัญหายังคงอยู่เือถ้าเรารู้ต้นหาต้นเหตุปัญหาจริงๆเราแก้ได้เลยต้นหาตัวที่บีบคั้นใจเราไม่ใช่เหตุการณ์แต่ตัวความอยากของเราที่อยากให้เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราอเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามความอยากมันก็บีบคั้นจิตใจเรา ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นต้นเหตุของตัวที่บีบคั้นไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อะไรร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เป็นตัวบีบคั้นจิตใจไอตัวที่บีบคั้นจิตใจเราก็คือความอยากให้เงินทองสามีภรรยาร่างกายเราเป็นไปตามความต้องการของเรา พอมันไม่เป็นไปตามความต้องการเราพยายามหาวิธีให้มันเป็นพอมันไม่เป็นก็บีบคั้นจิตใจเราให้เครียดไปหมดอันนี้เป็นขั้นสูงขั้นปัญญาถ้าเรายังมองไม่เห็นด้วยปัญญาว่าตัวที่เป็นปัญห า, หาที่บีบคั้นเราจริงๆก็คือความอยากของเราเราก็หยุดความอยากก่อนหยุดความคิดก่อนด้วยการทาสมาธิถ้าเราไม่เคยฝึกสติก็ไม่เคยนั่งสมาธิมันก็ทาไม่ได้ นั่งสมาธินั่งมันก็นั่งคิดแต่เรื่องปัญหานั่นแหละพอมันติดอยู่กับปัญหาแล้วมันเหมือนมันเหมือ น, นเหมือนหมาที่กัดแล้วไม่ปล่อยอะ่ะมันจะคิดอยู่ไกลเรื่องที่เป็นปัญหาหเราอยู่เรื่อยๆอยนั้นเราต้องมาหัดฝึกสติก่อนหัดพุดโทโธพุโทพโธก่อนอย่ามาหัดตอนที่มีตอนมีปัญหาแล้วมันจะไม่ทันการต้องหัดใช้พุโทโธดึงใจออกจากเหตุการณ์ถ้าเรา มีกําลังดึงใจออกจากเหตุการณ์พอใจเราไปติดอยู่กับเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์เราก็ใช้พุโทโธดึงออกมาได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้คําถามจากคุณยศเมื่อเร็วๆนี้มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งมีการเอาผู้ที่มีร่างทรงขององค์เทพต่างๆโดยที่อ้างว่ามาช่วยรักษาอาการป่วยต่างๆของผู้คนได้มาออกในรายการ อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงใช่ไหมครับถ้ามีจริงก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลเน<ม>ไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บนะฮไม่ไม่คิดด้วยปัญญาเลยไอ้ที่ไปรักษาคนที่มันหายเพราะมันมันจะหายมันก็หายอ่ะไม่ต้องไปเข้าทรงมันก็หายเราไม่สบายบางอย่างเราปล่อยมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายเองใช่ไหมเป็นหวัดนี่ไม่ต้องไปรักษามันหรอกทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็หาย แากใจเราร้อนเลยต้องคิดว่าต้องไปหาหมอให้หมอฉีดยาสักเข็มแล้วมันจะหายเร็วขึ้นหมอก็บอกไม่หายหรอกที่ฉีดก็ฉีดเพื่อให้สบายใจเท่านั้น <laughs> <laughs> ฉีดวิตามินฉีดยาบำรุงไปเท่านั้นเองเพราะโรคหวัดมันไม่มียาฆ่าเชือ้อมันมันเป็นไวรัสมันไม่มียาที่จะมาฆ่ามันได้มันต้องให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาฆ่ามันเองก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ ทางศาสนาพูดนี้ท่านสอนว่าเรามีโครคภัยไข้เจ็บอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกคือเป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษาก็หายชนิดที่สองเป็นแล้วถ้าไม่รักษาก็ไม่หายรักษากถึงจะหายชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายจะหายก็ต่อเมื่อตายเท่านั้นก็มีอยู่แค่สามโลกนี้เอง งั้นเราอย่าไปกังวลกับโลกเลยเพราะเราจะต้องเจอมันทั้งสามโลกเนี่ยตอนต้นก็เจอโรคแบบที่หายเป็นแล้วหายเองต่อมาก็ต้องเจอโรคที่เป็นแล้วไม่หายต้องไปหาหมอแล้วหมอก็จะวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรแล้วหมอก็จะให้ยามาหรือผ่าตัดหรือทําอะไรมันก็หายแล้วพอเจอโรคที่สามไปหาหมอหมอก็ใส่หน้าหบอกไม่หายแล้วต้องไปหาสัลยแพทยเท่านั้นท่านนี คำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะไม่ไปบวชไปปฏิบัติธรรมภาวนาสมวันในวันที่29วันพรุ่งนี้ค่ะแต่พอหนูได้ฟังเทศแล้วคำสอนพอได้ยินคำสอนหนูก็ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วและพอได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะไปบวชไปถือศีลแด เราหวังนั่นหวังนี่เราก็ไม่ได้ไปสักทีเลยทำให้หนูใช้ปัญญาพิจารณาแล้วทำให้เปลี่ยนใจที่จะไปบวชถือศีลสามวันเจ้าค่ะเรียนถามค่ะว่าหนูคิดถูกแล้วใช่ไหมคะและหนูใช้สติปัญญาได้ถูกทางแล้วใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะ อ, อ๋อถ้าไปบวชก็ถูกทางถ้าไปเที่ยวก็ผิดทางดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเที่ยวไหนห่ะ พระพุทธเจ้าก็ไปบวชพวกเราถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแต่ไม่เดินตามผู้เป็นผู้นําทางสาลาแปลว่าผู้นําทางเพราะจะให้แบพวกเราเป็นคนตาบอดไม่รู้ทางเลยต้องอาศัยคนตาดีคือ G P S เนี่ยแหละพระพุทธเจ้าคือ G P S ของพวกเราแต่เราไม่เดินตาม G P S เลยมันบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอย่างนี้แล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงถ้าเราอยากจะไป จุดหมายปลายทางที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ต้องตามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกให้ไปบวชก็ไปบวชบอกให้รักษาศีลก็รักษาศีลบอกให้ทำบุญก็ทำบุญทำตามกำลังของเราเราอยู่ในระดับไหนทำในระดับไหนได้ก็ทาเหมือนกับตัดต้นไม้นี่ถ้าเรามีมีดเล็กก็ตัดใบไปก่อนถ้ามีมีดใหญ่ก็ตัดกิ่งถ้ามีเลื่อยก็ฟันตัด ตนเลยถ้ามีจอบมีแบโคโฮก็ขุดลางมันขึ้นมาเลยมันต้องใช้เครื่องมือต่างกันก็เราปฏิบัติกำลังมันก็มีมากน้อยต่างกันมีน้อยก็ทำบุญบุญนี่ง่ายที่สุดในในวิธีการกำจัดความอยากเอาเงินที่ไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากมาทำบุญแทนแล้วก็รักษาศีลก็ยากขึ้นกว่าการทำบุญ นั่งสมาธิก็ยากกว่าการนั่งการรักษาศีลการใช้ปัญญาก็ยิ่งยากกว่ามันต้องทำตามขั้นตอนไปเพื่อเพิ่มกําลังไปทีละขั้นทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดต้องเดินขึ้นทีละก้าวทีละขั้นจะขึ้นจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สี่นี่นมันไม่ไม่ไหวมันกําลังไม่พอคำถามจากคุณไทเกอร์กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ สมาธิแบบสงบสงบเย็นเย็นอยู่เฉยเฉยเป็นอาทิตย์เหมือนกิเลสหายไปชั่วคราวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็เสื่อมจะมีวิธีพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไรครับออก็เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องมาเจริญปัญญามาพิจารณาสิ่งที่เรายังอยากอยู่ว่ามันเป็นทุกข์นะและเวลาเกิดความอยากเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้ ตัดความอยากได้เพราเราตัดความอยากได้สมาธิที่เสื่มก็จะไม่เสื่อมเพราะตัวที่จะมาทำให้สมาธิเสื่อมก็คือความอยากเวลาจิตสงบนี้มันไม่มันเฉยเฉยมันจะไม่มันจะสงบเฉยเฉยไปได้เรื่อยแต่พอมีความอยากขึ้นมาความอยากมันจะมาทําให้ทําลายความสงบนั้นความสงบนั้นนเลยเสื่อมที่มันเสือเส่อมเสื่อมเพราะความอยากเสื่อมเพราะความคิดน เราต้องคอยควบคุมความคิดเพราะคิดแล้วมันจะอยากแล้วใช้ปัญญาหยุดความอยากเวลาอยากก็ให้ใช้ปัญญาสอนว่าเนี่ยการทําตามความอยากมีแต่ขาดทุนเอเหมือนกับดื่มยาพิษให้มองเห็นว่าความอยากนี่เป็นเหมือนยาพิษอยาไปแตะมันเอาป้ายกระโหลกกระโหลกศีรษะกับไอกระดูกสองท่อนนี่ไขว้ไว้เนี่ยเอาไป ปะติดไว้ที่ใจเวลาเกิดความอยากบอกยาพิษมาแล้วนะถ้าทำตามความอยากเดี๋ยวจะกระอักเลือดเนดะี๋ยวจะต้องเศร้าโศกเสียใจเดี๋ยวจะต้องวุ่นวายใจอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่านี่อันนี้ต้องทำให้ได้แล้วต่อไปความสงบจะไม่เสื่อมคำถามจากคุณเหน่งจิต มีรูปนามเป็นอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์คือมีสติอยู่กับลมเข้าออกใช่หรือไม่ครับคือจิตมันเป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยส่วนสติเป็นตัวที่คอยควบคุมความคิดตัวความรู้ให้มันคิดเรื่องอะไรให้มันรู้เรื่องอะไรถ้าเรา <c oughs> ดูลมหายใจเราก็ใช้สติควบคุมความคิดให้มันให้มัน ให้มันรู้อยู่กับลมหายใจให้มันคิดอยู่กับเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเพื่อที่จะทำให้จิตสงบถ้าเราไม่มีสติจิตมันจะไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องขนมเรื่องเครื่องดื่มเรื่องที่เที่ยวแล้วมันก็จะเกิดความอยากไปทำตามที่เราคิดกันพออยากแล้วใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ก็ได้สุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าเราควบคุมความคิดควบคุมความอยากด้วยสติได้จิตก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขไม่ต้องไปทําอะไรดีกว่าความสุขที่เกิดจากการไม่ทําอะไรนี้ดีกว่าความสุขที่จะต้องไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ทำแล้วมันก็หมดแล้เวลาไม่ได้ทําไม่ได้ทำหรือทาไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยสู้อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดความคิดหยุดความอยากดีกว่าแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่สบายกว่าที่เย็นกว่าที่เบากว่า คำถามจากคุณหนุย่ยหัดเริ่มภาวนาควรเริ่มต้นทำอย่างไรก่อนครับพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยครับต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือการใช้คําบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่จําเป็นต้องคิดหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป แล้วเวลามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาอันนี้วิธีหนึ่งที่จะสร้างสติคือใช้พุทโธอีกวิธีหนึ่งก็ควบคุมบังคับใจให้เกาะติดอยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับภารกิจของร่างกายร่างกายกำลังเดินก็ให้เดินไปกับร่างกายกำลังยืนก็ยืนไปกับร่างกายไม่ใช่เดินไปก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้อันนี้แสดงว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบทอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วเวลานั่งก็ดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเวลานั่งสมาธิร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจแทนถ้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของลมหายใจไม่ไปคิดอะไรได้เดี๋ยวจิตก็รวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ความสงบ แล้วก็จะมีความสุขความเบาอกเบาใจความสบายใจมีความนิ่งมีความอิ่มมีความพอคำถามจากคุณปริชาติการที่เรานั่งสมาธิแล้วลมหายใจค่อยๆแผ่วเบาแล้วก็เริ่มหายไปอาการอย่างนี้เราจะเป็นอะไรไหมคะและยิ่งปฏิบัติ รู้สึกว่าจะรู้จังหวะการเต้นของหัวใจถี่ขึ้นเราควรไปดูการเต้นของหัวใจหรือว่าไม่ต้องสนใจคะ่ะไม่ควรสนใจควรสนใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวดูลมไปที่ปลายจมูกหรือที่หน้าออกหน้าท้องก็ได้หน้าท้องเวลาลมเข้าก็พองเวลาลมออกก็ยุบเนี่ยเขาเรียกว่ายุบหนอพองหนอได้ไม่ต้องพูดก็ได้ให้รู้เฉยๆว่ามันยุบมันพอง หรือถ้าดูที่ปลายจมอกก็รู้ว่ามันเข้าหรือมันออกมันหยาบหรือละเอียดมันสั้นหรือมันยาวเเออมันมันเบาลงไปก็รู้ว่ามันเบามันหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอมันหายไปแต่มันไม่ได้มันทําให้เราตายเพราะมันไม่ได้อยู่หายใจมันอาจจะหายใจนานหน่อยในนานจะหายใจสักครั้งหนึ่งก็ได้เออพราะเวลานั่งกายมันนั่งเฉยเฉมันมัน มันร่างกายไม่ต้องการลมมากมันก็หายใจน้อยเหมือนกัรรถเใช่ไหมรถเวลาจอดเฉยๆน้ํามันมันไม่ใช้มากใช่ไหมเวลาวิ่งเร็วๆนี้มันจะสูบน้ํามันจะกินน้ํามันมากกว่าร่างกายก็เหมือนรถยนต์นี่แหละเวลาถ้าร่างกายทํางานออกกําลังกายนี้หัวใจนี่ทํางานถี่ขึ้นลมหายใจนี่จะ ที่มากขึ้นแต่พอเวลานั่งเฉยๆนี่การทํางานของร่างกายมันน้อยลงการต้องการใช้ลมหายใจมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปไม่เป็นไรไม่ตายไม่ต้องกลัวให้รู้เฉยๆให้ดูลมถ้าไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมให้รู้ว่าไม่มีลมอยู่ไปงั้นแล้วให้รู้ว่ามีความคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีลมก็ดูว่าเราคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดความคิดอย่าให้คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าไปสู่ความสงบเราจะไม่มีปัญหาอะไร ตอนนั้นจะนิ่งจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิน้นต่อไปคำถามอันนี้ค่อนข้างยาวครับสรุปได้ไหมคือจะพยายามนะครับ<อ>ครับจากคุณจุครับ เ, เขาบอกว่าด้วยความที่ตัวของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวัง<อ>นะครับแล้วก็ทำไมเขาจะต้องทำ ให้ตัวเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คนอื at ่นคาดก็เราโง่ไงเขาคาดอะไรก็ไปทําักษ์ไปทําตามที่เขาคาดเราเป็นตัวของเราเราจะเป็นอะไรก็เรื่องของเราสิครับใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าผมเสพยาเป็นสมมุติที่คนเขารับกันไม่ได้อืมแต่ก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครมันก็เป็นเรื่องของของตัวเขานี่แหละครับใช่ครับก็แล้วเราก็ต้องเป็นคนรับผลของการเสพยาของเราะ ที่เขาห่วงเราเพราะเขาเห็นว่าคนที่เสพ ย, ยามักจะลงเอยด้วยในสภาพที่ไม่ดีถ้าเรายากจะพบกับสภาพนั้นก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าผมมองว่าคนชอบเปรียบเทียบต้องมีเท่านูน้นเท่านี้หน้าตาในสังคมดูถูกอิจฉาต้องการการยอมรับ อยากจะให้อันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ดังใจก็โกรธกันตีกันผมรำคาญผมเบื่อครับผมอยากมีแค่ยาดูดมีข้าวกินไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรกับชีวิตมากใช้ไปตามมีตามเกิดความสุขแท้จริงมันคืออะไรครับขอได้โปรดชี้แนะด้วยครับก็ ความสุขของคุณก็คือการได้ทำตามความอยากที่คุณต้องการแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่ยืนยาวนานไม่จีรังถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดก็ต้องหามาเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะไม่สามารถหามันได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่มีเงินทองที่จะหามันหรือร่างกายของคุณไม่มีความสามารถร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ คุณก็จะไม่สามารถหาความสุขที่คุณ่อยหาได้แต่ความสุขที่แท้จริงนี้เป็นความสุขที่หาได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเกิดการทำใจให้สงบถ้าคุณทำใจให้สงบได้คุณไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองร่างกายไม่มีก็หาความสุขร่างกายไม่สบายก็หายังหาความสุขได้เงินทองไม่มีก็ยังหาความสุขได้อันนี้แหละเป็นความสุขจริง ความสุขที่ใช้ใจเป็นตัวหาใช้สติใช้ธรรมะเป็นตัวหาใช้สติใช้สมาธิเป็นตัวหาคําถามจากคุณบอยเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับคุณแม่ผมสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรทุกวันแต่แม่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนตลอดทําไมจึงเป็นเช่นนี้ครับเกี่ยวกับวัยทองหรือเปล่าครับ ปัจจุบันคุณแม่อายุหกสดไม่หรอก็เกี่ยวกับความอยากของคุณแม่นะอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดจากความอยากต่างๆอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมานะการทําบุญใส่บาทมันไม่มีกำลังพอที่จะมาระงับอารมณ์เหล่านี้ได้ต้องฝึกสติต้องใช้ปัญญาต้องลดความความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไป บางคนทำบุญก็ไม่เข้าใจความหมายของการทำบุญก็ทำไปตามความเชื่อไม่รู้ว่าการทำบุญก็เพื่อตารลดละการทำตามความอยากต่างๆเขาก็ไม่ได้ทำมากเขาก็ยังสามารถทำอะไรตามความอยากต่างๆขอเขาได้อยู่เพียงแต่เขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญเท่านั้นความอยากของเขาก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงไปเท่าไหร่เขายังชอบทาตามความอยากอยู่ ยังอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่พอไม่ได้เป็นก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาคำถามจากคุณนริศราเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งสงบรวมได้แล้วเราจะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆหรือต้องกลับมาพิจารณาทางปัญญาคะอ๋อถ้ามันสงบจริงๆมันไม่อยากไปไหนแล้วมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่มัมันมันไม่เป็นตลอด มันก็จะเป็นตามกำลังของสติพอสติหมดกำลังมันก็จะถอนออกมายังไม่ต้องกลัวถ้ามันสงบแล้วไม่ต้องมาถามเราจะทำยังไงมันจะรู้เองว่ามันไม่อยากจะให้มันไปไหนแล้วนี่ถึงเจอความสุขสุดยอดแล้วจะไปหาความสุขที่ไหนอีกนัตติสันติปลังสุขขังนะสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้ถึงความสุขอันนี้แล้วเราจะไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากจะให้มันหายไป แต่มันก็ต้องหายไปตามกฎอนิจจังเพราะสมาธิมันยังเป็นอนิจจังอยู่จะให้มันเป็นสงบอย่างถาวอนี่ต้องสงบด้วยปัญญาคือต้องมีปัญญากำจัดตันหาความอยากที่มาเป็นตัวทำลายความสงบที่ได้จากสมาธินี้ทุกครั้งที่มีความอยากก็ทำลายมันทำลายมันแล้วความอยากก็จะไม่สามารถมาทำลายความสงบได้ต่อไปความสงบก็จะสงบไปตลอด พอเรากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้คำถามจากคุณหนูกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับความหมายของคู่บารมีคู่ก็คู่บารมีก็บารมีคนทําบุญด้วยกันก็เป็นคู่บารมีกันเพราะบุญก็คือบารมีอย่างหนึ่งบารมีมีอยู่สิบชนิดน บารมีที่เกิดจากการทำทานเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนีิขัมบารมีนิขัมมะบารมีก็คือการบวชเนี่ยถ้าบวชพร้อมกันนี่ก็เป็นคู่บารมีถ้าคนนึงบวชอีกคนนึงไปเที่ยวก็ไม่เป็นคู่บารมีกันถ้าคนหนึ่งทำบุญอีกคนหนึ่งไปไปช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ไม่เป็นคู่บารมีกันถ้าจะเป็นคู่บารมีก็ต้องทำสร้างบารมีไปพร้อมๆกัน่ะ เหมือนขับรถสองคันเนี่ยถ้าจะให้มันไปพร้อมกันมันก็ต้องตามกันไปรถต้องมีกําลังเท่ากันใช่ไหมถ้าคันนึงเร็วกว่าอีกคันนึงช้ากว่านี่เดี๋ยวมันก็ตามกันไม่ทันอยังจะเป็นคู่บารมีกันก็ต้องทําอะไรเหมือนกันเหมือนเด็กฝาแฝดใช่ไพ่อแม่มักจะซื้อเสื้อผ้าให้เหมือนกันใช่ไหม เวลาซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อสองชุดเวลาพาไปกินก็ไปกินสองคนไม่ได้อาบคนหนึ่งไปคนหนึ่งทิ้งไว้ฝาแฝดก็มั่อจะไปด้วยกันฝาแฝดนี่เป็นเหมือนคู่บารมีถ้าเราอยากจะให้คนที่เรารักเป็นคู่บารมีของเราก็ต้องชวนสร้างบารมีไปพร้อมๆกัน ทำบุญพร้อมๆกันรักษาศีลไปพร้อมๆกันบวชถ้าจะถือศีลบวชก็บวชพร้อมือถือศีลบวชพร้อมกันกก น, กก น, นั่งสมาธิก็นั่งพร้อมกันฟังเทศฟังธรรมก็ฟังด้วยกันถ้าอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นคู่บารมีกันได้คำถามจากคุณทบกราบพระอาจารย์ครับมีเพื่อนถามว่ามีเสียงรถเครื่องดังอยู่ที่หัวใจ เป็นอย่างนี้สองอาทิตย์แล้วแล้วก็ดับไปตอนนี้มาดังที่หูบางทีก็แรงบ้างบางทีก็เบาเป็นอยู่สองเดือนกว่าแล้วเวลากําหนดลมหายใจลมก็หายขาดจากกันเป็นบ่อยมากตอนแรกก็ทรมานมากอยากจะทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับจิตมันหลอนจิตมันชอบสร้างภาพหลอนเสียงหลอนหลอกเรา หลอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้จิตเราไม่สงบจิตเราไม่มีสติมันก็เลย เ, เป็นเหมือนกับตัวสร้างภาพาสร้างภา พ, าภาพยนตร์มาหลอกเราดังนั้นเพยายามฝึกสติพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบความหลอกความร้อนเหล่านี้มันก็จะจางหายไปคำถามจากคุณนพคุณกราบเรียนถามพระอาจารย์ การพิจารณาอสุภะถ้าไม่มีของจริงให้พิจารณาจะต้องทำยังไงครับก็ดูภาพถ่ายก็ได้เนีเดี๋ยวนี้มีภาพถ่ายในอินเทอร์เน็ตก็เกณฑนคำว่าอสุภะเข้าไปหรือซากศพก็ได้หรืออยากจะดูส่วนไหนของร่างกายเราก็ใส่เข้าไปดูว่ากายวิภาคอะนาตอมี่อยากจะดูส่วนไหนอยากจะดูหัวใจดูตับดูไตก็เดี๋ยวนี้มีภาพให้ดู หรือถ้าดูภาพแล้วไม่มันก็อยากจะดูของจริงก็ไปดูที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เขามีนักศึกษาแพทย์เ็าจะมีการผ่าศพอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นของจริงชัดเจนขึ้นอันนี้ก็ได้ไปดูแล้วเดี๋ยวนี้มีมีกล้องนี่ไปดูแล้วก็ถ่ายมาถ่ายมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็ดูเปิดมันดูแทนที่จะดูแฟชั่นดูที่ท่องเที่ยวดูอาหารการกินก็ลองดูตับไตไส้พุิของเราบ้างก็ได้ มันก็อยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดทำไมเรามองไม่เห็นมันนะเห็นไไปเห็นของที่มันไม่มีประโยชน์ของที่มีประโยชน์ก็ไม่มองดูตับไตไส้พุงของเราดูของคนอื่นแล้วมันจะทำให้เราไม่หลงไหลคลั่งใครไปรักไปหลงรักใครจะได้ไม่ไปหึงไปหวงไปห่ว ง, ไป ว, งไปวิตกไปกังวลกับเขาพอไปรักเขาแล้วก็ห่วงเนี่ยห่วงวิตกกังวล ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะทิ้งเราเมื่ อ, อไหร่หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นตับไตไส้พมิของเขาแล้วมันก็ไม่หวงไม่หวงนะคำถามจากคุณพรพิมลพระอาจารย์คะคุณสามีเข้าวัดไปสวดมนต์บ่อยๆแต่อยู่บ้านอารมณ์ร้อนบ่อยคะ่ะการสวดมนต์นั้นไม่ได้ช่วยเลยเหรือคะ ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยครับก็พ่อไม่ได้สวดเนี่ยถ้ากลับมาบ้านมาสวดต่อก็ไม่มีปัญหาฉันบอกเหมือนเหมือนเวลาดับไฟเนี่ยเวลาไฟไหม้เวลาเราฉีดน้ําไฟมันก็ดับใช่ไหมพอเราเราไม่ฉีดน้ําไฟมันก็ลุกขึ้นมานเวลาไปสวดที่วัดตอนนั้นมันก็ไม่ร้อนเนี่ยพอกลับมาบ้านไม่ได้สวดต่อมันก็ร้อนขึ้นมาใหม่ฉั้นถ้าอยากจะให้ไม่ร้อนก็ต้องบอกสามีพี่สวดตอน นี่ไม่ต้องไปวัดสวดที่นี่ที่กว่าไม่จำเป็นหรอกไปวัดคำถามจากคุณอนุชากราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมรักษาศีลและฟังธรรมเป็นประจำผมทำงานฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่งในบางครั้งด้วยหน้าที่อาจทำให้กุ้งต้องตายบ้างไม่มากก็น้อย <c oughs> ด้วยอาชีพนี้จะทำให้กระผมปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมได้ไหมครับเพราะเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายซึ่งพระพุทธองค์ท่านบัญญัติห้ามไว้อาชีพนี้จะเป็นบาปกรรมแก่กระผมไหมครับถ้าไม่เป็นบาปกรรมก็เป็นอุปสรรคเพราะมันจะทาให้เราไป ไปปฏิบัติธรรมไม่ได้คอนที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ต้องมีอาชีพของนักบวชเกิดบินทบาเนี่อาชีพของนักบวชเปลี่ยนอาชีพสิไปเปลี่ยนอาชีพเป็นบินทบาทสิมันก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะไปถึงนิพพานได้ถ้ายังทาอาชีพนี้อยู่มันก็ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมพอทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม คนที่อยากจะไปนิพพานนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพบิณฑบาตกันคําถามจากคุณสุมาศกราบเรียนถามพระอาจารย์เราควรรู้กายหรือรู้ใจก่อนจึงจะถูกต้องครับ อ, อขั้นต้นเราต้องมีเครื่องมือดูรู้มันก่อนนถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็รู้มันไม่ได้ การที่จะรู้กายรู้ใจนี่เราต้องมีสติก่อนมิต้องมีสมาธิก่อนเราจึงสามารถดูกายดูใจได้อย่างถูกต้องการดูกายดูใจต้องดูแบบปราศจากอารมณ์อคติรักชังกลัวหลงถ้ามีความรักความชังกลัวหลงดูร่างกายจะดูไม่ดูส่วนที่ไม่น่าดูไม่ได้เช่นดูอสุภะดูความตายนี้จะดูไม่ได้ เพราะมันจะมีความกลัวมีความชังไม่ชอบดูของที่ไม่สวยงามของที่น่ากลัวมันก็จะไม่เห็นความจริงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ฉะนั้นผู้ที่จะดูกายดูใจนี้ตอนต้นจะต้องทําใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วถึงจะมาค่อยดูกายดูใจได้อย่าง อย่างถูกต้องดูให้มันทบครบทุกอย่างเลยน่่งกายมีอะไรบ้างส่วนที่สวยก็เห็นส่วนที่ไม่สวยก็เห็นส่วนที่เกิดก็เห็นส่วนที่ดับก็เห็นมันต้องเห็นให้ครบมันจะได้ไม่หลงอันนี้ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิก็ต้องฝึกสติก่อนต้องพุทโธพุทโธไปก่อนหรือเฝ้าดูกายดูการเคลื่อนไหวของกายเพื่อหยุดความคิด ดูกายมันมีดูหลายวิธีดูเพื่อให้เกิดสติก็ดูให้หยุดความคิดให้ผูกใจให้ให้ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่าดูกายเพื่อให้เกิดสติถ้าดูกายให้เกิดปัญญาต้องดูว่ามันไม่เที่ยงดูว่ามันไม่สวยไม่งามดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำนมไฟจะดูให้เกิดปัญญานี้มันจะต้องใช้สมาธิเป็นผู้สนับสนุน ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ให้ฝึกสติก่อนด้วยการดูกายเฝ้าดูกายไปเฉยๆกายกําลังทําอะไรก็อยู่กับมันไปอย่าปล่อยให้ร่างกายทําอย่างหนึ่งแล้วใจไปคิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้จะไม่มีสติจะไม่ทําใจให้สงบได้เมื่อใจไม่สงบใจก็จะมีอคติจะทําให้มันเลือกดูเลือกดูในส่วนที่มันชอบดูส่วนนี้มันไม่ชอบดูมันจะไม่ยอมดู ใจของเรานี้ชอบดูแต่ของสวยของงามเนี่ยไม่มีใครอยากจะดูของไม่สวยไม่งามกันมันก็เลยหลงหลัลงหงไหลคลั่งไคล้ไปกับร่างกายลหลงไหลกับร่างกายที่ไม่สวยงามแต่เราไปคิดว่ามันสวยงามเนี่ยหลงไหลกับโครงกระดูกรู้ป่าวเพียงแต่ว่าหนังมาแปะหุ้มไว้หน่อยแล้วก็มองไม่เห็นโครงกระดูกแล้วรักกันก็รักที่โครงกระดูกนี้ไม่ใช่เลยกอดกันก็าโครงกระดูกนี่มากอดกันรู้ป่ะวแต่มองไม่เห็น เพราะเราไม่มีไม่มีสมาธิที่จะดึงใจให้มามองในส่วนที่เราไม่อยากมองกัน <Yeah. S 2> งนั้นก่อนที่จะมองร่างกายหรือมองใจให้เกิดปัญญาได้เราต้องมี ส, ส, สมาธิก่อนก่อนที่มีสมาธิเราก็ต้องมีสติก่อน <Yeah. S 2> องนั้นเราต้องมาเริ่มต้นที่สติสติเหมือนกอไก่ขอไข่ของการเรียนหนังสือ ถ้าเรายังมีท่องกอไก่กอไข่ไม่ได้เราจะเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้จะมาแต่งเรียงความแต่งนิยายมาทำรายงานทำอะไรต่างๆไม่ได้นะต้องเริ่มต้นที่กอไก่กอไข่ก่อนต้องฝึกสติก่อนอ่าไอ้คถามนี้หมดหมดพอดีเลยอ สติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญพวกเราทุกคนนี่รับรองว่ายังเป็นขั้นเริ่มต้นทั้งนั้นแต่เราไปอ่านขั้นสูงแล้วเราก็หลงคิดว่าเราเราอ่านขั้นสูงได้เราก็ต้องปฏิบัติได้แต่เราปฏิบัติไม่ได้ในเมื่อขั้นต้นเรายังทําไม่ได้การฝึกสติทําใจให้สงบเรายังทําไม่ได้เราอย่าไปฝันว่าเราจะไปสร้างปัญญาให้เกิดจากการดูกายดูใจได้เลยไม่มีทางเนี่ย งั่นมามาหัดกอไก่ขอไข่กันก่อนมาฝึกสติกันก่อนมันพุโทโธพุโทโธไปหรือมันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพื่อหยุดความคิดบงต่งต่างๆแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาให้จิตมันรวมมันนิ่งมันสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิแล้วนี่พอออกจากสมาธิเราจ ะ, ะมีกำลังที่จะบอกให้ใจดูอสุภะได้บอกให้ดูความตายได้ ถ้าเราถ้าเราไม่มีสมาธิออกมานี่บอกให้มันดูความตายมไม่เอาดูบสุภะมันไม่เอาเนั้นเราต้องพยายามทำใจให้สงบเพื่อที่หยุดตัวไอ้ที่มาคอยต่อต้านการดูส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายคือความตายความแก่ความเจ็บดูความอาวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งาม อันนี้ต้องมีสติมีสมาธิขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีก็จะไม่ดูดูก็แป๊บเดียวดูแบบขอไปที เ, เขาบอกให้ดูก็ดูหน่อย mm hmm. ดูแว บ, บหนึ่งก็ไปละเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนคนนั้นคนนี้รูปร่างหน้าตาดีสวยงามหล่อเหลาขึ้นมาอีกนะ mm hmm. แต่ถ้ามันมีสมาธิมันจะคอยดึกเฮ้ย mm hmm. อย่าไปดูอย่างนั้นดูแบบนี้สิดูแบบนี้น่าจะไ ด, จะได้จะได้ไม่หลงไม่รักเขาจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปห่วงไปห่วงเขา ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะไปหลงไปรักเขาเพราะไปคิดว่าเขาสวยเขางามแต่ถ้าเราคอยบังเับให้เห็นว่ามันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดอยูส่วนที่ไม่สวยงามก็มีเยอะแยะเราไม่ยอมมองทั้นนี่เพีงแต่พูดก็ยังไม่อยากฟังเลยเราเลยไม่กล้าพูดพูดเราเดี๋หาว่าเราสับประดนคนเราไม่มองส่วนที่ไม่สวยกันไม่ยอมมองกันก็เลยคิดว่าสวยว่าหน้าดูกันน่ารักกัน ก็เลยหลงรักเขาหวงเขาหวงเขาแล้วก็วุ่นวายไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขาแต่ถ้าเห็นว่าเขาเป็นของน่าเกลียด น, น่ากลัวไม่น่าจะมีด้วยก็ไม่จะได้ไม่ไปหลงรักเขาจะได้ไม่ไปมีเขาเขาไม่มีเขาลราอยู่คนเดียวสบายถ้าไม่มีความรักความอยากแล้วมันไม่ทุกข์หรอกที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมันรักมันมันอยากอยากมีแฟนอยากมีคู่ พรเห็นคนอื่นเขามีคู่แล้วคิดว่ามีความสุขก็อยากจะมีความสุขเหมือนกับเขาเท่านั้นเองหรือว่าเคยมีความสุขมาจากการมีคู่อยู่แล้วพอไม่มีคู่มันก็เลยเหงามันก็เลยอยากจะมีคู่อยู่เรื่อยๆแต่มันลืมว่าเวลามีคู่บางทีก็ต้องมาเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจอันนั้นก็ทำเป็นลืมไปไม่สนใจ ö. ก็เลยต้องเจอแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆเวลามีคู่ ถ้ามีอสุภะแล้วมันก็จะไม่อยากจะมีคู่อยู่คนเดียวดีกว่าสบายไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมารักมาห่วงมาหึงกับใครนะเอาล้วนะวันนี้พอดีหมดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิุ